ก็เลยเจริญสัจจานุโลมมิกจฉ า, านเนี่ยโดยศัพแปลว่าปัญญาที่รู้เห็นตามสมควรแก่การแทงตลอดอริยสัจเป็นการรู้การเห็นที่อนุวัตต่อการบรรลุอริยสัจเรียกว่าสัจจานุโลมมิจยานอนุโลมต่อการแทงตลอดอริยสัจอันนั้นก็คือวิปัสสนาญาณทั้งหลายตามพิจารณาเห็นขันห้าโดยความเป็นทุกข์เห็นพระนิพพานโดยความเป็น สุเป็นต้นเนี่ยไขครวญตามนี้เนี่ยมากๆไค้ครวญเห็นทุกอ่าเห็นขันห้าเป็นทุกเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้การไข้ครวญอย่างนั้นถือว่าอนุวัตต์ต่อการแทงตลอดอริยสัจพันสัจจานุโลมิกฉายนก็คือวิปัสนาญาณตั้งแต่อนิจจานุปัสนาเป็นต้นเรียกว่าสัจจานุโลมิกฉายนเพราะเป็นการอนุโลมต่อการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นโลกียะสัมมาทิฏฐิ เป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแต่ก็ยังนับเนื่องในโลกนะนับเนื่องในโลกที่เรียกว่าโลกิยะเพราะนับเนื่องในโลกนับเนื่องในวัตตะเพราะอะไรเพราะมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์เพราะมีสังขตะธรรมเป็นอารมณ์ถ้ามีสังขตะเป็นอารมณ์นะถ้ามีขันห้าเป็นอารมณ์เนี่ยยังชื่อว่าโลกิยาหมดเพราะอะไรเพราะยังมีสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นอารมณ์อยู่ส่วนมัคคปัญญา ปัญญาที่สัมปยุติกับอริยมรทั้งหลายปัญญาที่สัมปยุติกับอริยผลทั้งหลายคือปัญญาที่เกิดในมรสีผลสี่ปัญญานั้นเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิเพราะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะนะรู้เห็นอสังขตะธรรมรู้เห็นธรรมที่พ้นจากโลกเป็นโลกุตระตรงนี้ทําไมไม่ยกฌานสัมมาทิฏฐิมาเลยเพราะควบคู่กันกับ สัจจานุโลมมิจยานอยู่แล้วเนี่ยนะควบคู่กันไปบุคคลผู้มีสัมมาทิฐิมีอยู่3ประเภทสประเภทนะคนที่มีสัมมาทิฐิคือหนึ่งปุตุชนสองพระเสขะ บ, บุคคลสมอาเสข บ, บุคคลในจํานวนบุคคล3ประเภทนั้นปุตุชนมีอยู่สองประเภทคือปุตุชนนอกาศาสนากับปุตุชนในาศาสนาพาหิรกะชนกับาศาสนิกะชนเนี่ยนะคำว่าในาศาสนานี่อาอะไรเป็นเครื่องวัด เอาสิกขาสามของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดทีนี้ย้อนกลับมาว่าพวกพาหิรกะชนคือชนนอกศาสนาก็คือนอกธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นกรรมวาทีมีกรรมสกตามีความเชื่อว่ามีความเชื่อในเรื่องกรรมนะเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะอย่าง พวกฤาษีทั้งหลายภายนอกศาสนาที่รู้บุญรู้บาปเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์เนี่ยบางบางชาติก็อยู่นอกศาสนาใช่ไหมแต่ท่านก็มีกรรมสกตารู้เห็นบุญรู้เห็นบาปรู้เห็นกรรมและรู้เห็นผลของกรรมอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นความเห็นที่ที่ถูกต้องนีนะผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องอันนั้นก็เป็นมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิรู้ผลรู้บุญรู้บาปรู้ผลบุญผลบาปความรู้แบบนี้ก็นับว่าเป็น ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับหนึ่งนะอย่างคนนอกาศาสนานะ่ยเขาก็เชื่อนะว่าให้ทานนี่มีผลอย่างคนคนเขาไม่ได้นับถือพุทธเลยเขาก็บอกว่าการให้ทานนี่มีผลเขาเขายกตัวอย่างอย่างนี้ว่าคนรวยกับคนจนต่า ง, างกันยังไงคนรวยกับคนจนนี่คิดไม่เหมือนกันบอกไม่ใช่คิดไม่เหมือนกันคิดตรงกันข้ามกันโดยส่วนเดียว เขาบอกคนจนนี่คิดแต่จะเอาคนรวยนี่คิดแต่จะให้เขาคิดแบบนี้ฝรั่งนะพูดเขาบอกว่าเขามีแต่ความคิดจะให้คิดจะให้คิดจะให้เขาบอกว่าให้ก่อนแล้วค่อยมีก็ยกตัวอย่างว่าถ้ายิ้มกับผู้ใดแล้วคนอื่นเขาก็ยิ้มตอบฉันใดการที่ผู้ใดปรารถนาจะมั่งมีโภคะต้องให้ก่อนทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้รู้บุญรู้บาปเชื่ออะไรเกีเ่ยวกับศาสนาของเราหรอกแต่เขาเชื่อว่าการให้เป็นเหตุให้มั่งมี S <S <an> <S เขาเชื่อว่าการให้ทานมีผลเ <S an> ขาเชื่อว่าการให้ทานมีผลอันนี้ก็เป็นกรรมรกาสกตารสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งบางคนก็เชื่อต่อไปว่าเป็นไปได้ยังไงการเอาชีวิตของผู้อื่นแล้วทำให้ตัวเองมีอายุยืนไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เพั้งการให้ชีวิตเป็นทานสิชีวิตของตัวจึงจะอายุยืนบางคนมีความเห็นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นกรรมรกาสกตารสัมมาทิฏฐิพราะมีความเชื่อว่าการให้นั้นมีผลการรักษาศีล น, นั้น่ะมีผล เทวดามีจริงเป็นต้นเนี่ยนะโอปปาติกะมีจริงก็ก็ยอมรับว่าเออพวกเทวดาพวกอมนุษย์อบายทุคติวิณิบาตินรกเป็นต้นเนี่ยมีอยู่จริงก็ถือว่าเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องการเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นมีมีบุญได้บุญเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญอันนี้ก็เป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องของคนนอกพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ผิดว่าเขา เขาทําอะไรแล้วผิดไปหมดบาปไปหมดไม่ถูกต้องถ้านับถือแบบเราจรึงจะถูกต้องก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะถ้าขอให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องนับถือาศาสนาไหนก็ช่างเถอะ้าแยกแยะกรรมและผลของกรรมได้ไม่จําเป็นต้องคนในาศาสนาก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิแต่เป็นสัมมาทิฏฐิแบบนอกาศาสนาถามว่านอกาศาสนาเนี่ยสัมมาทิฏฐินอกาศาสนากับในาศาสนาต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ว่าสัมมาทิฏฐินอกาศาสนาจะไม่ได้รับการบํารุง จะไม่มีการดูเลยไม่มีการเพิ่มพูนไม่มีการพัฒนาไม่มีการเจริญภาวนาเครียกว่าไม่สามารถจะเอาไปเพิ่มพูนต่อไปได้แต่คนในศาสนาถ้าอันนี้นี่แบบคนในจริงๆนะคนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคนเหล่านี้จะเพิ่มพูนพัฒนาตัวกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิรักษากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเพราะเห็นว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นของดีเป็นของประเสริฐ ของที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนควรเพิ่มพูนเป็นทาเวีตปธรรมที่จะต้องเจริญที่สุดเท่าที่จะเจริญได้ภาพเพียรพยายามและปฏิบัติแต่คนนอกศาสนาไม่มีสัจจานุโลมนิการาณแน่นอนเพราะการพิจารณาของเขาไม่ได้เกื้อกูลต่อการเห็นอริยสัจเนี่ยนะจะไม่เป็นความรู้ความ เ, เชื่อกรรมและผลของกรรมจริงเชื่อบุญเชื่อบาปเป็นต้นจริงแต่ไม่มีการ ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อแทงตลอดอริยสัจเพราะเขาเหล่านั้นจะไม่น้อมไปเพื่อพิจารณาให้เห็นอริยสัจพันธจุดจบขอภายนอกาศาสนาก็ไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์หรือพรหมโลกแต่ไม่น้อมไปเพื่อเห็นแจ้งในอริยสัจเนี่ยนะนะเพราะภายนอกาศาสนาเป็นความเห็นไม่ถึงขั้นสัจจานุโลมิจายัน ส่วนศาสนิกรปุตุชนเนี่ยนะปุตุชนผู้มีนับผู้มีการนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ปุตุชนผู้ยังอยู่ในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญามีความเห็นถูกต้องทั้งกรรมสกตาสัมมาทิฐิและสัจจานุโล ม, มิกฉาเนี่ยนะได้ทั้งสองประการเลยได้ทั้งสองอย่างปัญหาว่าสามารถมีได้ทั้งสองอย่างแต่มีจริงไหมล่ะอีกเรื่องหนึ่งครัสามารถมีได้กับกับมีจริงนี่เหมือนกันไหมมีสิทแต่ว่า ก็บอกอะไรเนี่เป็นคนไทยมีสิทธิ์แต่ว่าใช้สิทธิ์จริงหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะนี่เราก็ดูว่ า, วากรรมสกตารสัมมาทิฏฐิในชีวิตจริงเรามีแค่ไหนเนี่ยนะก็มาพิจารณาดูนะเอ้ยวันหนึ่นงคิดเรื่องกรรมสักกี่ครั้งนะนนตั้งแเช้าจนตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาอีกรอบหนึ่งกระพริบตาเว้นนะแบบหลับลืมยาวๆเนี่ยนะคิดเรื่องกรรมกี่ครั้งดีบ่อยไหมวันละห้าสิบครั้งยี่สิบครั้งน้อยจังอะ่ะ โอถือว่าน้อยมากแล้วนะน่าจะได้วันละห้าสิบครั้งนะเรื่องกรรมและผลของกรรมอันที่จริงเนี่ยความรู้ในกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะมันต้องเห็นแบบอ่านหนังสือเห็นป้ายแล้วอ่านเลยทันทีเลยนะน่าจะต้องขนาดนั้นนะความรู้ในกรรมและผลของกรรมเนี่ยจะต้องให้เห็นขนาดนั้นเช่นตามองเห็นสีเนี่ยกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตาปัญญาถ้าเรามีตาเนื้อนี่มองเห็นสีต่างๆนี่เราแยกได้ทันทีเลยใช่ไหมแต่เราไม่มีตาปัญญาพอที่จะแยก กรรมแยกผลของกรรมแยกบุญแยกบาปได้อันนี้ก็เรียกว่าตาบอดตาใสคเรียกวบอดตาปัญญาไม่มีตาปัญญาพอที่จะให้เห็นมันจะต้องจะต้องศึกษาเรียนรู้จนกว่าจะบอกว่าลืมตาหลับตาเห็นกรรมและเห็นผลของกรรมอย่างนั้นจริงๆมีคำว่ามีความเข้าใจจริงๆเยนะเขาบอกว่าวิธีแรกนะถ้าเราจะฝึกเนี่ยนะ เช่นเรานั่งลืบตาทำตาปิบๆนี้ก็ลองมาคิดดูเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยเราลองมาสาธยายแล้วเอามาคิดดูในชีวิตที่เป็นจริงอ่ะนะในชีวิตเราเนี่ยเนาะเอามาคิดดูเนี่ยเห็นอะไรก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลใครเดินมาเขาก็มีกรรมเป็นของของเขานะ มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเราจะไปไหนก็เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยคิดอย่างนี้จนน่าจะท่องได้ยังงคนซ้อมร้องเพลงอย่างซ้อมยังขยันร้องเลยยังไงถ้าเราจะเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เหมือนกันนะว่างๆต้องหัดสาธยายพระพุทธเจ้ า, าสอนให้พิจารณาเนืองๆเรียกว่าอภินหาปัจจเวกอภินหปะแปลว่าบ่อยๆบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยนะอย่างที่ว่าได้ยินเสียง สุนัขเห่าก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นต้นเนี่ยเห็นลุงเรื่องก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลอันนี้ว่าจริงๆนะไม่ได้ว่าเล่นนะเนี่ยเอาจริงนะพูดเหมือนเล่นแต่เอาจริงนะยมเล็กเห็นยมเล็กก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะสุขจะทุกข์จะเจริญจะเสื่อมก็เป็นไปตามกรรม กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแต่อย่าลืมนะกรรมคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เขาใช้ชีวิตอยู่นี่เพราะผลของกรรมเก่าของเขาชีวิตก็จะเป็นกรรมใหม่ที่เขากําลังทํามีผลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นคนที่คิดเรื่องกรรมคือคนที่คิดอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลเชื่อมโยงอยู่ทุกขณะทุกทวารและทุกอารมณ์เลยกับทุกคนทุกสัตว์ปรับความเข้าใจอย่างนี้จนมีความเข้าใจอย่างนี้ตลอดเวลา หรือว่าเราไม่เห็นว่าไอ้ความเข้าใจอันนี้ดีเฮ้ยถ้ารู้ความจริงเราก็ทําบาปไม่สนุกปกติบางคนคิดอย่างนี้นะบอกโอ้ยยอมรับความจริงไม่ได้หรอกถ้าเชื่อว่ากรรมมีผลจริงเนี่ยนะเราทําบาปไม่เพลินเลยเนี่ยนะไม่มีความสุขในการทําบาปอีกแล้วเนี่ยจะดียังไงเป็นต้นเนี่ยนะก็แสดงว่าถ้าหากว่ารู้เห็นความจริงก็ดื่มเล่าไม่สนุกถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ต้องพยายามปรับความเข้าใจแต่ที่จริง เราต้องตั้งทัศนคติอันหนึ่งเนี่ยนะควรตั้งอันหนึ่งว่าถ้าความมีความเข้าใจถูกต้องแค่ไหนนั่นเป็นความดีนั่นเป็นความเจริญพอใจที่จะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคนที่จะบรรลุอริยสัจจริงเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสุขกับการรู้ความจริงมีความสุขที่เข้าใจความจริงเขาจริงจะบรรลุอริยสัจเขาจะไมไม่ใช่มีความสุขกับการถูกหลอกนะ ถ้าเป็นชีวิตของปุถุชนทั่วๆไปในโลกโดยมากมีความสุขกับการถูกหลอกแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั้นมีความสุขกับการพิจารณาความจริงมีความสุขกับการรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงเท่าไหร่ก็ใกล้ใกล้ความพ้นทุกข์ไปเท่านั้นเพราะความทุกข์เนี่ยสาเหตุก็เกิดจากการไม่รู้ความจริงความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยเกิดจากความไม่รู้จริงถ้ารู้จริงก็ต้องถึงความ ผลทุกพันมีความสุขกับการรู้ความจริงมีความสุขกับการพิจารณากรรมและผลของกรรมในชั้นแรกการคิดว่าเรามีกรรมเป็นของของเราเป็นต้นเนี่ยนะเราพูดมาหนึ่งคำปั๊บเนี่ยเราพูดอะไรก็ได้สมมว่าพูดจบกันนึกเลยเออเนี่ยคำที่เราพูดเมื่อกี้นะมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็น เผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเรานี่แหละจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นทุกทุกคำที่เราพูดเรารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อไปในอนาคตทุกอย่างที่เราคิดเนี่ยนะเจตนาในมโนกรรมเรารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเจตนาในกายกรรมลุกยืนเดินนั่งนอนกายกรรมทั้งหมดนั้นรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะกรรมนั้นเป็นบุญก็รับ ถูกแต่เพียงผู้เดียวถ้ากรรมนั้นเป็นบาปก็รับผิดแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครมาช่วยหลังน้ำตาแทนเรารอกเนี่ยนะนะแล้วก็มานั่งคิดเนี่ยนะเขาไข่ครวรอยู่เสมอว่าเรามีกรรมเป็นของของเราเป็นสมบัติของเราเนี่ยนะเรียกว่าเป็นทายาทเลยเพราะผู้ที่จะรับมรดกก็คือเรานี่แห ล, นะละในนั้นสิ่งที่ทําคําที่พูดแล้ววั น, ว, นวันหนึ่งล่ะเราทําอะไรให้แก่ตัวเราอนาคตควรจะสดใสหรือว่าควรจะเป็นยังไงอนาคตท้องฟ้ามันเป็นยังไงนะ เดินห่ายหรือเดินมืดอย่าง้ก็ดูเอานะราทั้งหมดเราเนี่ยเป็นเป็นของของเราจริงๆมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะมันสาทยายมันไข้ควรวนเลยทุกคำที่เราพูดทุกความคิดที่เราคิดทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสมบัติของเราทั้งหมดเลยนะนั้นเวลากุศลจิตเกิดขึ้นมา เวลากุศลจิตเกิดขึ้นเวลาให้ทานเนาะเรามีกรรมเป็นของห้องตนนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่สาเป็นต้นไปเนี่ยสมาทานศีลจบบอกดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่สาเป็นต้นไปเนี่ยนะฟังทำจบก็บอกเออผลบุญอันเนี้ยนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่7็ให้ผลชาติหน้าสองถึงหให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปฟังทำสาธยายธรรม ปราโรคทำให้ทานรักษาศีลการเจริญเมตตาทุกอย่างบุญกุศลทุกอย่างปับ๊บจะคิดอย่างนี้ให้หมดเลยมีกรคำเป็นของของตนนะดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปก็ดีใจใช่ทีนี้อย่าลืมแบบโกรธมาทีหนึง่งบอกเออดวงที่1ให้ผลชาตินี้นะดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นเนี่ยนะ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 ดวที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึง6ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปต้องปารบอย่างนี้ไว้เสมอนะที่เรารับอยู่ทุกวันเนี่ยผลของกรรมเก่านะที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดก็ยุติธรรมที่สุดแล้วไม่ต้องไปโทษใครรอก็กทํามาอย่างงี้ก็สมควรแล้วล่ะเนี่ยไม่ต้องไปโทษพ่อโทษแม่โทษญาติโทษบินฟ้าอากาศโทษบ้านโทษเมืองโทษที่ไหนรอกเนี่ยนะทุกอย่างที่รับมาก็สมควรแก่ตัวเองทั้งหมดแล้วเนี่ยนะก็ทํามา ผลที่มีอยู่ก็สมควรแก่กรรมเก่าแล้วล่ะและอนาคตต่อไปล่ะยุติธรรมที่สุดแล้วเนี่ยนะคำใดที่เราพูดนั่นแหละสมบัติของเราเราควรจะเอาผลแบบไหนดีผลก็จากกายกรรมเจีกกรรมและมะโนกรรมปรับความเข้าใจอันนี้ให้เป็นอยู่ในชีวิตให้ความเข้าใจอันเนี้ยเข้าใจเหมือนกับ เนี่ยเห็นแล้วปั๊บเรียกชื่อได้ถูกเลยใครเป็นใครใครเป็นใครเข้ามาจากไหนเข้าจะไปไหนมองออกหมดฉันใดชีวิตในของเราก็เหมือนกันให้เห็นกรรมและเห็นผลของกรรมฉันนั้นปรารบอย่างนี้ไว้เสมอในทุกทวารเลยนะเห็นใครทุกคนก็เนี่ยสาธยายไว้เลยตอนแรกพิจารณาไม่ออกก็ไม่เป็นไรท่องเป็นคาถามมนขลังเอาไว้เลยนะเห็นยอมต่อยปั๊บก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ นะมีกรรมเป็นที่เพื่องอาศัยพันยมต่ยจะทําทกรรมอะไรไว้ก็เป็นบุญหรือเป็นบาปก็รับเองก็แล้วลกันนะแต่นะดูดอกไม้ทั้งหมดนี้คุยมต่อยนัดจัดนะเพื่อให้เราดูงามๆามนะทาบุญบูชาก็ว่ายินดีต้อนรับเลยนะเมื่อไหรนะบุญเหล่านี้จะให้ผลไงเจ้าของสวนดอกกุหลาบแนะน่ยังไงดูแลเอะรดน้ําไปเอะตอนสวยนี่ใช่ตอนเหลือแต่กิ่งแต่ก้ามนะีสิมัน เจรว่านะทุกทุกอย่างเนี่ยนะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเราต้องมาฝึกสาธยายไว้เลยนะแม้กระทั่งเรามีปกติเราอยู่บ้านสามคนเนี่ยสาธยายนะอ้าวพ่อก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลทั้งหมดนะนะแม่ก็มีกรรมเป็นของของตนลูกก็มีกรรมเป็นของของตนเพื่อนก็มีกรรมเป็นของของตนต้องฝึกคิดอย่างนั้นไม่อย่างนั้นมันจะเข้าข้างตัวเองนะมันมัน ไม่ปรับทัศนคติให้มันถูกต้องการสาธยายแบบนี้คือการปรับทัศนคติที่ถูกต้องต่อ ก, กรรมและผลของกรรมที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิต้องมาฝึกคิดอย่างนี้ไว้บ่อยๆทุกคนอย่าลืมนะต้องไม่เผลอเรื่องนี้เด็ดขาดเลยจะด้วยเหตุผลใดต้องไม่เผลอว่าลุงเรืองมาตามกรรมของตนจริงๆพราะมาก็จะไปตามกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยตัวเองมีกรรมเป็นของของตนถ้าให้ละเอียดนะลืมตาปั๊บเนี่ยเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเนี่ยหูได้ยินเสียงอะไรเขาถูกด่าหรือถูกชมแววขึ้นมาก็โสตวิญญาณเนี่ยเป็นผลของกรรมเนี่ยนะเมื่อได้ยินแล้วเราคิดอะไรมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลต้องไม่เผลอคิดอะไรขึ้นมาหนึ่งความคิดกับมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลอนี่ยแยกแยอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาฝึกคิดไว้อย่างนี้ให้ดีๆในทุกทวารทุกอารมณ์มันเห็นสุนัขวิ่งมาจกจกแบบมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยนะ นนะเห็นนกบินก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลหมายความว่าถ้าเราคิดอย่างนี้จนชํานาญจนไม่ต้องท่องเลยเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นทั้งธรรมดาไปเรียบร้อยแล้วเป็นความเข้าใจของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเหมือนคนตอนแรกก็เหมือนกับฝึกใช้ภาษาต่างประเทศก่อนพอฝึกไปนานๆก็เป็นภาษาของตัวเองตอนแรกเราก็ฝึกคิดตามพระพุทธเจ้าพอไปนานๆปั๊บความคิดอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันกันกบตามแนวพระพุทธเจ้าเรียบร้อยไปแล้วดีไหม หรือจานุรัก์นิยมขอคิดตามเดิมของเราต่อไปครั้งนั้นก็สมาทานที่จะเจริญสัมมาทิฏฐิเพราะมีอุปการะมากตั้งใจเจริญไม่เลยในทุกทวารนั้นเห็นรถคันหน้าเขาขับไปเจ้าของคนขับก็มีกรรมเป็นของของตนคันหลังที่ตามมาก็มีกรรมเป็นของของตนถ้าไปบ่นคนข้างหน้าบ่นคนข้างหลังก็มีกรรมเป็นของของตนเหมือนกันดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ต้องไม่ลืมน้ครับว่ามีกรรมเป็นของของตนคือ เจตนาในกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2อถึงหให้ผลในชาติที่สมเป็นต้นไปเพราะที่จริงอ่ะนะถ้าคนสังเกตเรื่องของชีวิตของตัวเองตั้งหัวโจดเท้านะเช่นเวลารับความทุกข์อันใดอันหนึ่งมันจะนึกถึงตาตัวเองทํามาได้นึกถอะนั่งหัวโจดเท้านะถ้าสมมติอาุศลวิบาตอันใดอันหนึ่ง น, นะถ้าชีวิตใช้มาเนิ่นนานหน่อยเนี่ยนะระลึอกออกได้เลยโอ้ยสมควรแล้วดีนะมันให้ผลแค่นี้ พอมาเคยคันคันเอ๊เราก็นึกไม่ออกไปทํากรรมอะไรมาตอนหลังนี่นึกออกว่าชอบถอนขนสัตว์นะก็บอกโอ้ยสมควรแล้วเนี่ยนะจริจริงอะ่ะที่มันรับนี่มันน้อยนิดเองอ่ะนะถ้าเทียบกับสัตว์ที่ถอนขนนี่มันจะขนาดไหนนอ้อก็บอกโอ้ยสมควรแล้วเนะ่มงอนนตอนหลังมาเนี่ยเมื่อก่อนคันนะกวนกวายโอ้ทําไมมันคันตอนหลังมาก็บอกโอ้เข้าใจแล้วทําเหตุอะไรมามิหน้าละมีหน้าคันอยู่ได้คันอยู่ดีนี่นะ ว่าตอนเจ็บคอนี่เคยนึกอะไรว่าบีบคอไก่อย่างนี้นะโอ้ยสมควรแล้วนะนะโอ้ยทำเหตุมาแต่ละอย่างนี่เหมาะสมที่สุดถ้ากรรมไม่ให้ผลนะถ้าบาปไม่ให้ผลแล้วบุญจะให้ผลได้ยังไงเอาสิใช่ไหมถ้าบาปไม่มีผลแล้วบุญจะมีผลได้หรือนี่บาปมันยังมีผลแล้วจะเชื่อบุญมีผลอย่างเดียวบาปไม่มีผลเป็นไม่ได้ยังไงบุญก็มีผลบาปก็มีผลอยู่แล้วล่ะก็ต้องมาคิดนะว่าแต่ต้องเป็นคนยุติธรรมอ้าวคนนั้นทําให้คนนี้ทําให้เป็นต้นจริงไม่ใช่หรอก ทำมาเองทั้งนั้นแหละถ้าไม่เคยทำบาปมานะพยามามโยนอาวุธมายังเป็นดอกไม้ตกมาใส่พระพุทธเจ้าเลยใช่หเขาโยนอาวุธลงมากลายเป็นดอกไม้แต่ถ้าหากว่าคนบาปเนี่ยนะโยนดอกไม้ไปกลายเป็นอาวุธเ <c oughs> คยได้ยินไหมโยนดอกไม้กลายเป็นอาวุธไปได้เลยก้านมาปักตาอย่างเงี้ยนะแทนที่จะดีกลายเป็นเสียหายไปอีกมันอยู่ที่ผลบุญผลกรรมจริงๆเนี่ย มันก็ทุกอย่างก็สมควรแก่กรรมแล้วก็ยุติธรรมที่สุดจะเริ่มว่ากรรมในบรรดากรรมเหล่านี้นะเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลก็มาแบ่งว่ากรรมนี้กรรมหนักไหมเรียกครุกรรมหรือกรรมที่ทําบ่อยๆเรียกว่าอาจินนกรรมนี่นะกรรมที่ทําบ่อยๆเรียกอาจินนกรรมกรรมที่ระลึกได้ก่อนตายเรียกว่าอาสันนกรรมนึกถึงกรรมไหนก่อนตายกรรมนั้นแนี่ยนำเกิดเรียกว่าอาสันนกรรมปกติเนี่ยนะเราทั้งหลายมีกรรม มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผาพันุกรรมที่จะนําเกิดนี่นะคารุกรรมนําเกิดก่อนถ้า Zahlen, มีคารุกรรมคารุกรรมจะนําเกิดถ้าไม่มีคารุกรรมโดยทั่วๆไปอาจินนกรรมจะนําเกิดถ้าจินนกรรมไม่นําเกิดคิดถึงกรรมใดกรรมนั้นนําเกิดก่อนตายนึกถึงคําใดคํานั้นนําเกิดนึกถึงสิ่งที่ทําใดสิ่งที่ทํานั้นนําเกิดก่อนตายคิดถึงความค like ิดใดความคิดนั้นนําเกิด นันอย่างเช่นก่อนตายคิดถึงศีลที่เคยสมาทานมาเนี่ยศีลนําเกิดก่อนตายคิดถึงทานทานนําเกิดก่อนตายคิดถึงเมตตาเมตานําเกิดคิดถึงสมถะสมถะนําเกิดนึกถึงวิปัสนาวิปัสนานำนำเกิดนั้นก็อยู่ที่คิดถึงกรรมตัวไหนกรรมตัวนั้นนําเกิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอาสัญกรรมถ้าไม่คิดถึงกรรมใดๆเลยกตัตาวาอาจินกรรมจะพาไป ถ้ามีครุกรรมครุกรรมเอาไปตั้งกันแรกรอยู่แล้วละ่ะแต่พูดถึงว่าถ้าไม่มีครุกรรมเนี่ยอาสนกรรมจะให้ผลก่อนจะนําไปถ้าอาสนกรรมไม่ให้ผลก็อาจินนกรรมถ้าอาจินนกรรมไม่ให้ผลก็คราวนี้ก็สุดแท้เถอะกรรมถอยหลังนะับไปดวงที่ชาติที่หนึสองสาถอยหลังไปเป็นแสนโกรธกลับนะชีวิตตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแสนโกรธกลับเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านกลับมาแล้วเนี่ยนะมาให้ผลนําเกิดได้หมดเลยดวงที่2อถึงดวงที่6ไปเก็บไว้ไหนอ่ะ อันดวงที่สองถึงดวงที่หในอดีตชาติที่เคยทํามาจะมานําเกิดหมดเนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่ากตัดตาวาปณกรม ร, กรมกะรุกกรรมอจินกรรมอาสันกรรมและกะตัดตาวาปณกรรมเพราะนั่นไอ้กตัดตาวาปณกรรมเนี่ยกรรมหนึ่งอย่างที่ให้ผลติดกัน500ร้อชาติเนี่ยนะอันนั้นแหละกะตัดตาวาปณกรรมเช่นฆ่าสัตว์ครั้งเดียวตกนรกหลายครัง้งเนี่ยนะหรือว่า ทำบุญครั้งเดียวเกิดในสุขติหลายครั้งอันนั่นแหละคืออานุภาพของกระตับตาวาปน ก, กรรมทีนี้ําบางอย่างมันไม่ใช่ชนะ ก, ะกรรมนำเกิดอย่างเดียวบางอย่างมาอุปธรรมนะที่เรียกว่าผู้อุปธรรม น, นะผู้อุปธรรมคาชูกรรมที่อุปธรรมทีนี้มันไม่มีัวอุปธรรมเนี่ยพวกคอยเจาะ อ, อย่างนะทให้แฟบลงนนะเรียกว่าอุปปีต ก, กรรมพวกคอยเบียดเบียนคอยตัดร้อนใะนะ ผิวพันธุ์เ อ, อิบอิ่มก็ทำให้เป็นอะไรนะเลือดไหลน้องเป็นต้นเนี่ยทำให้เรียกว่าคอยขัดขวางความเจริญพวกศัตรูพืชพวกวัชพืชทั้งหลายเรียกว่ากรรมประเภทอุปปีและกกรรมกับประเภทถอนรากถอนโคนก็คือพวกอุปคาตะกรรมเนี่ยนะพวกตัดพวกรอนพวกเข็นพวกฆ่าไม่น่าเชื่อเลยยายคนหนึ่งนั่งตำตะบันมากเยนะอยู่ในบ้าน<ช>คนกระโดดร่มปกติร่มมันต้องกลางที่อื่นนะ ตกมาตกหลังคาทะลุใส่มาทุกยายตายพอดีเลยสารนั่งตำหมากอยู่อย่างดีเลยนะจิบครอบครัวหนึ่งกำลังทานข้าวกันเลยนะบ้านเขาเป็นลักษณะของของห้องแถวใช่ไหมห้องแถวห้องแถวห้องแถ ว, แถวก็ชวนกันครอบครัวเนี่ยกินข้าวกันยัง ม, มีความสุขสิบร้อยเจ้ากรรมนี่เข้าไปพอดีเป๊ะเลยคาพี่เลยแต่ว่าอันนั้นไม่น่าอัศจรรย์เลยชาวชนบทเนี่ยมีเรื่องคำม เขาไปนั่งอุจาระข้างถนนแล้ว10บล้อมันตกไปทางนั้นพอดีเลยโอมนะนะตายพอดีนะถ้ากรรมให้ผลนะที่ไหนมั่งจะเหลือบ้างใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะเวลากรรมมันให้ผลอุปคาตกรรมเนี่ยมันตัดได้ทุกที่ทั้งกล่าวว่าพระองค์ตรัสว่าทั้งอยู่โน่นทะเลท้องทะเลใต้ทะเลลึกหรือแม้บนน้ําหรือว่าบนบกหรือว่าบนอากาศที่ไหนเถอะที่หลีกหนีไปให้พ้นไม่พ้นรอก นะความชั่วที่ทํำไว้แล้วเนี่ยนีไม่พ้นหรอกมันก็แล้วทํำยังไงยินดีต้องรับมาเลยกรรมเอ๋ยมาเลยอย่างนี้ใช่ไหม <_ k fascinating> เขาไม่มีใครเขาทําอย่างนั้นกันหรอก <_ t ap> <_ t ap> นะเพราะว่าไอ้กรรมถ้ามันตามมาหมดเนี่ยนะไปเก็บไว้ไหนกันเนี่ยนะทุกอย่างเดียวว่าผ่ผผบ้างเถอะอะไรงี้ยนะมันก็กรรมเนี่ยมันก็มีกรรมตัดกรรมเองนะกรรมบางอย่างมันก็เบียดกรรมกรรมฝ่ายดีเบียดฝ่ายชั่วกรรมฝ่ายชั่วเบียดฝ่ายดีเั้นถ้าเราอยากจะ เห็นโทษของฝ่ายชั่วแล้วก็สร้างความดีเพื่อจะเบียดอกุศลกรรมเหล่านั้นไม่ให้อกุศลกรรมเหล่านั้นให้ผลได้แต่ยเลิกสรุปมาอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเน่ยนะเป็นไปตามทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมอุปชาเวทนิยกรรมอปปาระประเวทนียกรรมเป็นไปตามชนะกรรมเป็นไปตามอุปธรรมภะกรรมอุปปีละกรรมและอุปคาตกรรมเป็นไปตามคารุกรรมอาจินกรรมอาสนกรรมและกัตตาวาปะณกรรม ม, มันมีกรรมตั้งเยอะแยะอย่างเงี้ยโบราณเขาเลยใช้ยูศัพ์เดียวว่าตามยะถากรรมรู้กันว่าหมายถึงกรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็นไปตามยะถากรรม